ฟางธรรเพื่อ <c oughs> ให้เป็นส่วนประกอบขอการศึกษาปฏิบัติเรากำลังมาเรียนหลักสูตรสูตรของกายสูตรของจิตใจไม่ใช่เรียนแบบหมอแบบนายแพทย์แต่เรียนแบบปลมัติ เท็จเป็นจริงอย่างไรเรื่องกายเรื่องคิดใจเห็นกายก็ไม่ใช่เห็นเป็นอืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมามหัวใจตับปอดพังปืกใช่ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเกร่าอั น, นั้นไม่ใช่เห็นจิตก็ไม่ใช่เห็นหอยจิตหอยใจเห็นวิญญาณวันท่องเที่ยวไปอันนั้นก็ไม่ใช่ ในมีสติดูกายมีสติดูกายหาวิธีที่จะรู้กายโดยอาศัยนิมิตเป็นเครื่องดูเป็นเครื่องเห็นเห็นใจก็เห็นเวลาที่มันคิดจะไปิดเพ่งจนเห็นหัวใจมันเต้นไม่ใช่อย่างนั้น อะไใดที่มันคิดขึ้นมาให้รู้ทันมันจะก็้าไปอยู่ในความคิดความคิดเนี่ยมันมีสารพัอย่างแปดมือนสี่พันเรื่องเรื่องกายเรื่องใจเราก็ดักดูดักเห็นอะไใดที่มันคิดรู้สึกความคิดมันมีอยู่สองลักษณะตั้งใจคิดและ มันลักคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตอนนี้เราไม่ได้มาตั้งใจคิดเรื่องใดเรื่งการเรื่องงานเอาไว้ก่อนกลับไปจะค่อยไปทำบางทีเราหาคำตอบจากความคิดเสมอไปบางทีไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดเรื่องความคิดก็ทังหกเรื่องการกระทาสังหางอย่างต้องทำไม่จำเป็นต้องคิดก็ได้ ให้เห็นความคิดที่มันโดยพราะมันรักคิดอ่ะอันนี้เราให้หลงได้ง่ายกว่าหลายๆอยา่างเรื่องของกายก็ไม่ค่อยหลงหรอกแต่เรื่องของความคิดถ่ยพาให้หลงกายกายเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยที่พาให้หลงความคิดแต่ความคิดพาให้หลงกายเป็นเรา อาชัยนิมิตคือการเคลื่อนไหวกนะารเคลื่อนไหวของกายให้เป็นนิมิตสิ่งที่พาให้หลงการเคลื่อนไหวคือความคิดบ้างไม่มากเวทนาคือความปดความมือยอารมณ์เรียกว่ากรรมเรียกว่ารรทำทำที่มันทําให้ที่เป็นกุศลอกุศลพาให้หลงสติอะ เกิดขกิดทุกขนี่ทำให้หลงหลงกายได้แต่สิ่งที่มันหลงพาให้เราหลงเรื่องที่เราทำมันจะดีมันจะมันจะประสบการณ์มันจะเป็นบทเรียนมันหลงตรงไหนอะไรที่พาให้หลงนั่นแหละมันจะดีอย่าไปกลัวความหลงอย่าไปอยากได้ความผูกอย่าไปเกลียดความพิษนะ ถ้มันผิดแต่เราเราจะได้รู้สึกจะได้เห็นความผิดมันอยู่ตรงไหนบางทีเราต้องเก่งเพราะมันผิดนะเป็นบัณฑิตเพราะมันผิดถ้าไม่ผิดไม่เป็นบัณฑิตเห็นทุกเก่งไม่ทุกเหมือนพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเห็นทุกคนทุก เันวิธีที่จะเริยน ท, ที่เราศึกษาเนี่ยเป็นวิธีที่บทเรียนเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยการสอนก็เราสอนตัวเราเองการสอนให้เห็นเนี่ยไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราการสอนให้รู้สอนได้คนเดินสอนได้มีถึงมหาวิลลย สอนให้รู้แต่ว่าสอนให้เห็นสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเราสอนให้เห็นสอนให้เป็นทำให้เป็นมันคิดเรากลับมาให้เป็นมันหลงเรากลับมาลูกให้เป็นนะมันสุขเราเห็นความสุขอยาเข้าไปอยู่ในความสุขทำให้เป็นมันทุกข์เห็นความทุกข์อยวเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ทำให้เป็นออกมาดูออกมาเห็นแต่มันเจองทางนี้นะ มันเจีงภาวะในทางดูในทางเห็นเห็นผิดเรากลับเป็นถูกให้เป็นเห็นทุกข์เรากลับเป็นไม่ทุกข์ให้เป็นเห็นหลงกลับเป็นไม่หลงให้เป็นภาวะที่ทำให้เป็นเน่ยเราต้องทำเอาเองนะใครก็ช่วยเราไม่ได้เรื่องเนี้ยการสอนให้เกิดความ ร, รู้รู้โน้น ร, รู้นี่บางทีก็อาจจะเถือนไวก็ได้ได้จากคนอื่นทีก็โกงออก แต่ว่าการสุกการทุกขนะ์เนี่ยทาในมันสุกวันทุกข์เราเปลี่ยนไม่สุกไม่ทุกขนะ์เนี่ยมันลงเราเปลี่ยนเป็นตัวลูกเนะี่ยมันผิดเราเปลี่ยนเป็นทุกขนะ์เนี่ยอันนี้เราต้องช่วยตัวเรามากมากเรีว่าภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีนะเป็นภาคปฏิบัติ ตัดตีก็คือโต้อตอบทับท่วงในตีที่เราทํามันก็มีอยู่โดนจงกลมให้มันรู้แต่อยู่เฉยเฉยสันรู้หาเรื่องที่จะรู้เรื่องกายไม่ใช่เอาตาดูไม่ใช่เอาอะไรเอาสติรู้เรื่องกายถ้าเราจะอาศัยธรรมชาติให้มันเคลื่อนไหวเช่นลงหายใจกัน เพื่อนร้อยต่างๆมันไม่พอเรารีบเราเร่งเราปวดวิชาเราต้องขยันาวนาันาขยันขยันลูกขยันลูกเอาไวจ้จังหวัดสิบสี่จังหวัด ตั้งต้นแล้วไปจดหลดตั้งต้นอีกไปจนถึงสิบสี่จังหวะเรามาตั้งต้นอีกไปถึงสิบสี่จังหวะมาตั้งต้นอีกไปถึงสิบสี่จังหวะมันจะหลงตรงไหนจังหวะไหนที่มันหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ตั้งต้นใหม่มันหลงเตนวันหลงตรงไหนตั้งต้นตรงนั้นหมอเกล้านก็เดินจงกลมเดินจงกลม เดินจังกรงเนี่ยเดินกลับไปกลับมาขับไส้ทีกัขบขวาทีจะให้ยาวเกินไปยจะให้สั้นเกินไปบางทีก็ชา้าบางเทีก็ไวแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยถ้ามันง่วงก็จะอ่อนเนี่ยเดินปุกเท้าชุกุกชุกเขไปให้ชัดเจนกับการเดินถ้ามันเกิดเวทนาออกมา ก, มา ก, มากเวทนามันรุนแรง มันเหนื่อยมันปวดมันเมื่อยต่อตั้งต้นใหม่ให้อดีบทมันใหม่ใหม่มันจะครึ่งลู่คลึงหลงวางเทีอย่าอย่าทำแบบนั้นอดงทีทั้งหลงทั้งลู่ไปพ่อพองกันพยายามตั้งต้นใหม่ให้มันชัดมันเรามันเราลืนตาดูอะไรถ้ามันไม่ชัดก็คลิปตา เพืบตาใหม่มองใหม่เพื่อตาใหม่มองใหม่เพื่อให้มันชัดเพื่อให้มันได้ความคมสติผมก็เรียกกระดคมให้มันเห็นชัดเห็นความหลงชัดเห็นความรล่ชัดบองทีมันไม่เห็นความหลงความหลงก็หลอกอยู่นั่นแหละสิบนาทียี่สิบนาทียังหลอกอยู่นั่นแหะถ้าไม่เห็นความหลงชัดเจนความหลงก็หลอก อยากให้มันเห็นความหลงให้มันเห็นความรู้มันต่างกัน <c oughs> เราจึงการทำใหม่ๆนี่ออริบบที่ตั้งใหม่พรายังไม่เจ่งก็จะนั่งนานถ้านั่งนานเอาความนั่งเอาความนานแข่งขันกันนั่งได้สองชั่วโมงสามชั่วโมง แต่ว่านั่งด้วยความหลงก็ไม่มีประโยชน์นั่งพัเทียบสร้างจังหวะนั่งขัดสมาธิสร้างจังหวะนั่ ง, ง, ง, ะงอะไรก็ได้ก็เปลี่ยนได้ถ้ามันไม่ชัดก็เปลี่ยนตั้งต้นใหม่เพื่อให้มันชัดแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติมานา น, านอาจจะนั่งได้เป็นสามสี่ชั่วโมงก็ได้อย่างหลวงพ่อมันนั่งมานานนั่งเทอะไรก็ได้ แต่วิธีนั่งเนี่ยการสร้างสติโดยวิธีนั่งบางทีมันก็สำหรับวางคนไม่มีกำหนดว่านั่งนานเท่าไหร่เดินนานเท่าไหร่ไม่กำหนดไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องดูแลตัวเองนั่งเท่าไร่เดินเท่าไรความเหมาะสม แต่ว่าจะให้ความปวดคมมัวยพาทำพายุดความขยันพาทำรรความขี้เกียดพ า, รร า, ดพายุดเราจะต้องมีเกตนา <c oughs> มีเกตนามีเกตนาทําำยกมือก็เกตนายกไม่ใช่ทําเล่นๆอนะ่อยากทำก็ทําอยากหยุดก็หยุดให้ความคิดพาทำ ทางทีมันท to ีดจะลุกลุกไปตามความคิดม so ันคิดคิดจะเดินก็มันคิดจะนั่งนั่งไปตามความคิดอะไรก็ตามลางที่ความคิดเนี่ยอย่ากให้มันออกหน้าเกินไปให้ให้สติมันนําจะลุกก็เจตนาลูกสึกตัวลุกจะนั่งก็เจตนาลูกสึกตัวนั่งจะเดินก็เจตนาลูกสึกตัวเดินจะหยุดก็รู้สึกตัวที่จะหยุด นะแม้ความคิดมันมีก่อคิดจะลุกก็ต้องว่าอย่าให้ความคิดมันสั่งนันก็ว่าเราคิดเป็นตัวหนึ่งตัวนั่งนี่ตัวหนั ง, ต, น ง, ต, นงตัวสตินี่เป็นอันนึง่งเราจะลุกของเราเองนะลุกโดยความรู้สึกตัวอาจให้สติ น, นำนะแทนความคิดมันนำแต่เพื่อเติบใหญก็ ไม่ใช่สติต้งมันมาก่อนก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดจึงจะเป็นคุณค่าของสติดูให้ดีๆนะคำแซบําชาตัวเองให้ดีๆการใส่ใจการเจตนาการสร้างสติจับให้มั่นขั้นให้แนวควหลงกวามโลภความหลงชัดมันโลภ ก, กับโลภความโูดชัดเป็นคนลำมุม อยาให้มันไปด้วยกัน <c oughs> นี่คือความหลงใส่ใจลงไปรู้สึกตัวกับมหาหนิมิตที่ตั้งไว้มันมีสิ่งอาศัยอยู่นิมิตเนี่ยพลิกมือยกมือสร้างจังหวะมันเป็นนิมิตมันรู้ได้วัตถุที่รู้ก็มีพลิกมือขึ้นมันรู้สึกเนี่ยให้มันจะคิดไปเท่าไหรกลับมารู้สึกยกขึ้นรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอะไรต่ า, างๆรู้สึกที่เรา กำหนดเราสาธิตสอนกันแล้วเป็นนิมิต ท, ที่อาศัยแล้วก็เราใต่สะพานจับเปล่าอะไรไต่สะพานเราได้จับเปล่าเดินไปอมันจะเซไปมันจะหลาไปท่านั้นก็จับรปลาไว้แล้วก็มันก็จับได้มันก็ใช้ได้เปล่าเปล่าสะพานที่เราใต่ ลงบันไดมีเ <c> ห <oughs> ลาบันไดช่วยได้นิมิตเนี่ก็ช่วยได้อย่าวางมันหลุดไปแล้วก็ควยจับใหม่บางทีมันก็หลุดไ ป, ปก็จับมาอย่าปล่อยไปเลยตอนหลงไม่ใช่เหมือนกับไต่เหล่าสะพานความหลงมันก็มีอาสายธาตุนให้หลงก็มีเยอะ <c oughs> เป็นความพอใจในความหลงหาเรื่องที่จะคิดรู้เนี่ยมันตั้งอยู่ได้ไม่นานบางทีอาจจะไม่เคยฝึกเดีกับความหลงสมานานกินกับความหลงไปแล้วเดี่ยวกับอารมณ์ใจก็จิตใจก็มีอารมณ์ไม่ได้ว่างม่ได้สร้างซาจากอารมณ์ บางทีบางทีมารู้สึกตัวก็เป็นการทวนกระแสพอสมควรคนมีว่าคนมีลูกก็คิดอย่างคนไมีลูกคนมีผัวมีเมียก็คิดอย่างคนไมีผัวมีเมียคนมีอร่อยก็คิดแบบนั้นม่วัวมีควายม่ช่างมีมากก็คิดแบบคนไม่วัวไมีควายม่ช่างไมีมาก แต่คนไม่มีอะไรก็อาจจะคิดแบบหนึ่งก <c oughs> ็ได้พระพุทธเจ้าไปตรัสอย่างนั้นคนไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรมีก็มีอยู่ในหัวใจไม่ใช่มีอยู่นอกหัวใจทางการหัดตัวเองก็จะได้ผลเรียนมากๆกสารเริญสติเนี่ย มันมีบทเรียนเยอะแยะมันมีประสบการณ์เยอะแยะแต่ว่าอย่าเที่ยงหลักหลักของเราก็มีแล้วคือยกมือสร้างจังหวะเดินจังกรมนะให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวกับความหลงมันก็ต่างกันอยู่ดอกความทุกข์ก็ต่างกันกับความรู้สึกตัวเวทนา ก, ก็ต่างกับความรู้สึกตัวความคิดมันก็ต่างกับความรู้สึกตัว ทำที่เป็นขุศล์ับอขุศลความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจความเศร้าหมองก็ต่างกับความรู้สึกตัวให้รู้จับให้มันชัดเจนแต่ความรู้สึกตัวมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งสิ่งใดๆก็ได้มันจะสุขก็รู้สึกตัวได้มันจะทุกข์ก็รู้สึกตัวได้ มันจะโกรธก็ารู้สึกตัวได้มันจะรักมันจะยินดียินไล่รู้สึกตัวได้มันจะร้อนจะหนาวมันจะเหนียวจะปวดจะมืย่ยรู้สึกตัวได้เท่านั้นเอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องไปสอดรูสอดเทนจะให้มันเถื่อนได้อยาให้มันหลบซ่อนอยู่ได้ความทุกข์แม้แต่นิดเดียวก็รู้สึกตัวความโกรธจะมีก็รู้สึกตัว ความหงสั่นจะไม่ก็รู้สึกตัวความง่วงก็รู้สึกตัวนะแล้วความง่วงพาให้ง่วงความหลงพาให้หลงความผิดพาให้ผิดมันก็ไม่ใช่ปฏิบตัติแต่ง่วงแง่วงกันแหละหลับตาสับ ป, ประงหลับอยู่นั่นแหละไม่รู้สึกตัวไม่เอาความรู้สึกไปเกี่ยวข้องมอ ง, งให้มันเป็นสองทาง ความมั่งกับความไม่มัง่งความผิดกับความไม่ผิดความโกรธกับความไม่โกรธความหลงกับความไม่หลงความทุกข์กับความไม่ทุกข์มองแบบหน้ามือหลั ง, งตรงกันข้ามเหมนสิทธัตถ์ได้หลักคือเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเก็บเห็นตายก็มองตรงกันข้ามแล้ว เมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเก็บก็ต้องมีไม่เก็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายในสิท ธ, ธัตถะเจ้าพ่อชายพรคิดอย่างนี้จึงได้ออกสแสวงหาจึงได้ตัดสรูปเป็นปัญจัลละสัมมาสัมโพธิญาณก็มองแบบนี้คืออยากไปจำนวนอยากไปยอมอันนั้นมาอยังยิ่งใหญ่ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ความหลงเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราจะไม่มองเราจะไม่ทำให้ชัดเจนเท่านี่จะทำอะไรได้หรือความโกรธความทุกข์ย่เนี้ยนะมันไม่มันไม่ลึกลับเหมือนกับความเกิดแก่เจ็บตายความโกรธความหลงความโลภความรักความชังมันกรบชิดลิดนิดเตียว ก็ยังหลงอยู่สิบนาทีแล้วยี่สิบนาทีแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วยังหลงอยู่ยังหมกมุม่นคนคิดอยู่ลราอ่อนแอถึงขนาดนั้นต้องกลับมาให้ไวหวอัดกลับปฏิคือกลับปฏิบัติคือกลับมากลับมาหาที่ตั้งอย่างว่าตั้งไว้ที่กายอย่ว่าเคลื่อนไหวตั้งไว้มันคิดไปบุรีรำ คิดไปเชียงกงคิดไปกรุงเทพคิดถึงโลกอ ะ, อะไรก็ตา่างกลับมาบางทีปัญหาคําตอบจากความคิดทําไมทําไมทําไมอยู่เรื่อยไม่ต้องเแล้วนี่เจ็ดวันเนี่ยเราไม่ต้องเมอะไรมาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นที่มันสอดมันม า, จากจะผลัาเขา้ามาไม่เกี่ยวออกมาสร้างความรู้สึกตัวเรามาทําเรื่องนี้ยมาปฏิบัติบางทีหอบ หอบหอ ก, ออกความคิดหอบการบ้านมาอะไรไม่เอาเอาไปหอบบางทีเราทําตัวนี้อาจจะเสร็จตัวนู้นไปเลยะความโกรธความเครียดแค้นบางทีมาทําตัวนี้อาจจะหายไปเลยอม่ใช่ไปหาคำตอบทำไมทําไมจึงทำกับเรามันม่นา จ, จะทํำอย่างนั้นไม่น่ า, า จ, จะทํานี่อาจารย์ไปพูดอย่างนั้นลงไปพูดอย่างอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมันจะจบไปเลย <c oughs> ทำสติอย่างเดียวจกไปล่อยเรื่องปัญญาถูกไปล่อยเรื่องปัญญาฉเฉลยไปได้ล่อยเรื่องปัญญาอ่ว่าแต่มาตั้งต้นจากตรงนี้ให้มีความรู้สึกตัวลองดูนะว่าจะมีจริงหมอ่าศินสมรู้ที่ปัญญากำจัดกิเลสได้จริงไหมสตินี่ทำให้เป็น มารดาของความดีทั้งหลายได้จริงหรืออความหลงทําให้เป็นมารดาของความผิดได้จริงจริงไหมมาดูก็ได้คำตอบเอาไปเอามาก็จะเห็นโอ้มันไม่มีอะไรไมีแต่ความหลงกับ ค, ความรู้นี่แหละเอาจริงจรงแล้วไม่มากหรอกนะทําใหม่ๆม ก, กับปู ก, กับปูใช้กระดุกตะคบโน่นตะคบนี่ พอาะทำไปทำไปทำไปมันไม่มีอะไรมากมีแต่ตัวลูกกับตัวหลงแล้วตัวหลงก็ไม่ใหญ่โตอะไรทาง่ายแั่ตัวลูกง่ายกว่าตัวหลงด้วยซ้ำฝันบางทีเราไปกลัวความหลงเอาจริงเกงแล้วมันไม่ไม่น่าตัวความหลงหายใจเข้าก็แก้หลงได้พลิกมือขึ้นก็ความหลงอดดีไปแล้วอแต่ว่า มันก็ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ไม่มีสตินะปกปิดซ่อนเล่นนั่นแต่เราดูดีๆไม่แต่ตัวหลงกับตัวลูกแล้วก็ตัวหลงกับตัวลูกใครเป็นคนลูกเราเองคนอื่นลูกให้เราไม่ได้ถ้าไม่มีสติจะไม่เห็นตัวหลงพวกคนอยู่กับความหลงจะเห็นความหลงได้งไง คนไม่มีสติจะเห็นความหลงได้นะเหมือนกับนกอยู่บนนกอยู่บนป้าไม่เห็นป้าปลาอยู่ในน้ําไม่เห็นหน้าหนอนอยู่ในครูดไม่เห็นคูดใช่เดือนอยู่ในดินไม่เห็นดินคนอยู่ในความคิดก็ไม่เห็นความคิดอถ้าเรามาดูเราจะเห็นอคนอยู่กับความทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์คนเมาก็ไม่รู้จะว่าตัวอย่างเมา คนที่ไม่เมาทั้งหากเห็นขดป่งคนที่มีสติบางทีคนพูดก็รู้ียาก็รู้โอ้ขาดสติขาดสติมันเราลองอ า, ราสร้างาตัวไองด้วยมันรับดวงตามาลืนตามาดูตัวเองมันส่องกระจกมันก็มองกลับมาหาตัวเรา มองไปข้างหน้าแต่มันกลับมาหาตัวเราความรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีนอะไรทุกอย่างกว่าที่จะรู้สึกตัวได้เนี่ยโอ้มันก็ผ่านมาหลายแล้ว่ะมันผ่านอะไรเยอะแยะมาแล้วพอที่จะมาพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวเนี่ยมันผ่านผ่านอกุศลมาก็ได้ผ่านบาปมา่ะ คนที่จะมายกมือสร้างกี่ว่ารู้สึกตัวมันผ่านบาปมาแล้วผ่านพลงพลังมาแล้วมารู้สึกตัวเน่ยนะดีแล้วนะคนมีความรู้สึกตัวมันก็ละความชั่วแล้วคนมีความรู้สึกตัวก็ทําดีแล้วอนะคนมีความรู้สึกตัวจิตก็จะบริสุทธินะ์เพราะมันไม่ไปย่อมอะไรเรียนะว่ามันผ่านบาปมาแล้วนะคนที่จมาพิกมือรู้สึกตัว แลว้วความชั่วทาความดีเขาคือตัวนี้แล้วเราไปทําอะไรไหมเรารู้สึกตัวไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่มีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทําดีแล้วรู้สึกตัวก็บละความชั่วแล้วรู้สึกตัวจิตมันก็ค่อยสะอาดบริสุทธิ์ไปออกไปไปไกลไปไกลไปไกลจากความหลงความหลงก็อยู่ไกลถ้ารู้สึกตัว ถ้าไม่รู้สึกตัวความหลงก็อยู่ใกล้ๆถ้ามันของอยู่ใกล้มันก็จะมองไม่เห็นมันมันขนตาล้วมันมองไม่เห็นความหลงถ้าอยู่ใกล้มันก็มองไม่เห็นหลงก็เฉยอยู่ได้โครดก็เถอยอยู่ได้อ่มันอยู่ใกล้ตัวเรามองไม่เห็นถ้าเรารู้สึกตัวโอ้คันคนละเรื่องกันเลยนะ ความโกรธกว็ไม่โกรธมันต่างกันมากๆความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องใครบอกเราบอกตัวเราเองพอเราเคยรู้สึกตัวมานานหลายวันเจ็วันแล้วรู้สึกตัวนะมันความหลงเกิดขึ้นไม่จะต่างกันนะแต่คนไม่เคยรู้สึกตัวมันไม่ต่างอะไรเลยความหลงก็อยู่กับความหลงอยู่นั่นแหละตกกระโปรเท่าไรก็ยังเล่นอยู่เหมือนเด็ก เด็ดน้อยในโสกโผ ก, ก็ยังเล่นอยูน่นะเน่ยแต่ถ้าผู้ใหญ่้วมันก็ไม่เอาชีวิตเรากำลังกับมันต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเจริญเติบโตวมรู้สึกตัวทำให้เร า, าได้บทเรียนได้ประสบการได้เห็นแก่งล่วงพ้นภาวะเก่าล่วงพ้นภาวะเก่าเราไม่เคยรู้สึกตัวนะ กอไม่เห็นความหลงก็เอาความหลงหรอถ้าโล้สึกตัวไม่กล้าเอาความหลงเพราะไม่มันไม่ถูกต้องมากๆความหลงถ้าเราโล้สึกตัวแล้วไม่กล้าพอมหลงทีเราตกใจเลยนะตกใจโอ้ยคลายว่ามันคนหัวลุกเราพูดเล่วตัวหลงตัวนี้ก็ผิดศินนะ เอสินอริยกันแต่สินอ่ะหลงแล้วก็ผิดสินแล้วแม้แต่คิดที่แม่ได้ตั้งใจที่มันรักคิดก็ผิดสินแล้วพระพุทเจ้าต่จากนั้นจะเก่ง <c oughs> ทิ ส, ทททสุทั้งหลายเมื่อเธอคนคิดในอารมณ์ที่คนคิดทิสุทั้งหลายเมื่อเธอคนคิดในอารมณ์ที่คนคิดก็ถือว่าสินของเธอทะลุแล้วด่างแล้วพร่อยแล้ว เธอไม่รู้จักสลัดความคิดดันออกไม่มีสติหรือว่าศีลของเธอจะรู้แล้วด่างแล้วพลอยแล้วนี่ศีลประมาจรรนะไม่ใช่ศีลศึกไม่ใช่ศีลสังคมไม่ใช่ศีลสมาถานเรื่องคนที่หมกมุ่นคนคิดนะ่ะก็เฉยอยู่ เพไม่รู้สึกตัวแม่เลยความโกรธก็ยังไม่มันอยู่กับเราได้ค้ามวันข้ามคืนไม่อยากจะลืมโดยสักครั้ถ้ากูได้โกรธกูตายกูก็ไม่ลืมอ่าอาจจะคิดไปทํานองนั้นอุ้ยมันจะเอาได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเลยควมรู้สึกตัวผมรู้สึกตัวนัะ มันบริสุทธิ์เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่อุ่นใจก็โคโรธั้งคนทดปันอยู่ในอุ้งมือของมานมันก็ดิ้นแล้วไม่แม่ไปแล้วหาวิธีไม่ต้องมามีใครห้าบมันเห็นเราจะมาฝึกตัวนี้ในหลักสูตรของเรานะให้มันเจริญเติบโต ความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าได้มีได้มากแล้วพาวิตาภพริกตาสังวัตตันติทำให้มากเคลให้มากเกิดมากเกิดผลเกิดรู้แจ้งร่วงพ้นภาวะเก่าสติเนี่เป็นการตั้งต้นท้ามกลางก็คือสติที่สุดก็คือสติจนถึงพระอรหันต์ก็คือผู้ที่มีสติสมบูรณ อุชงกายยังตริมุก ข, ขังสติงวัตเปตตวาพระคีณาสกผู้มีสติเป็นวิ น, นัยไม่เผลอ พ, พอพระคีณาสกคือพลังมีสติไม่เผลอที่สุดก็คือสตินั่นแหละแล้ก็ไม่ได้วัดกันเรื่องอะไรแต่มาเลได้วัดกันเรื่องเพศเรื่อง ลูกแบบเขาวัดกันด้วยคุณธรรมแล้วสตินี่มันก็ไม่ใช่เป็นลทัทธิในกายไม่ใช่อยู่ในเพศในวัยมีอยู่เป็นสาคุนพอเรานั่งอยู่นี่ถ้ามีสติก็เป็นอันเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันทันทีถ้าเรามีสตินะ <c oughs> แต่ถ้าเราหลงก็เป็นคนหลายคนไปแหละอ่าเป็นคนหลายคนไปแล้วถ้าหลง คนละเรื่องคนไปแล้วเกิดการขัดแย้งเกิดการไปคนละทิศละทางทะลุอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยรู้อยู่ในละอยู่รู้ในรู้อยู่นในละรู้อยู่ในละรู้อยู่นีใหละเอออ่ะรู้ถามกันเรื่องสติเหมือนเมืองเดลีเมืองเดลีเนี่ยตอนเหนือของอินเดียสมัยข้างโบราณ จะถามเรื่องการเจริญสติกันมีสติหรือเปลาไม่ีสติหรือเปลาไม่อยู่หรอกไม่อยู่เออจะหลงนะจะลงนะเนะราถามกันเรื่องใหญ่มากเพราะที่นั่นพระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานนสุ <c oughs> คนพูดกันเรื่องสติเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเมืองหลวงปัจจุบันเป็นรีอะไรัดอะไรลัด อะไรัตตนะหรืออะไรลืมไปทางจากสาวสถีวันสามสี่ร้อยกิโล <c oughs> <c oughs> เรามีสถีนะถ้าไม่มีสถิก็ไม่รู้ถ้าหลงก็ไม่รู้ เราจะมาสร้างน ะ, ะตั้งใจเจตนาเจตนาสร้างถ้ามีเจตนามันแม่นยำนะถ้าไม่มีเจตนาไม่ค่อยแม่นยำมันจะล่ะทำเล่ น, ลนไปเจตนาสิต้องยกมือรู้สึกยกเคล่นไว้รู้สึกวางลงรู้สึกให้มันชัดเจนชัดเจนแม่นยำมาแล้วออกจากว่าดใส่กุญแจ ล็อกคนแจออกจากบ้านปิดหน้าต่างลำดับติดหน้าต่างเก็บข้าวเก็บของรถคัดเอาใส่คนแกล็อกกุญแกเอาุนแก่ใส่กระเป๋าชัดเจนแม่นยําถ้าเราทําอะไรที่มันชัดเจนแม่นยําก็มั่นใจอยู่ตรงไหนต้องไหนโลกของอยู่ในบ้านในเรือนเราอยู่คงเท่ ของอยู่สุโกโตเนี่ยลู่จักเราอยู่สุโกโตของอยู่กรุงเทพสั่งไว้เอาได้คญแจจะตรงนั้นนะอสั่งได้ถ้ามันแม่นย่อมมันชัดเจนบางทีชีวิตเราพลาดพลาดพลาดพลาดควางควางออกแกว่งฟ้านแล้วเออเราได้ใส่คญแจหรือเปล่าต้องกลับมาดูอีกนะบางทีก็ไม่ใส่บางทีก็ใส่ ใส่แล้วก็แช่ไว้ไหนก็แช่ไว้ไหนตบหน้าตบหลังเอาไปมาก็ลืมะไม่รู้เพื่อไม่ชัดเจนไม่แม่นยำหัดใช้ชีวิตแต่มันชัดเจนแม่นยำดีๆจะมีประโยชน์มากมายเป็นวงจรของชีวิตเรานะสุขภาพก็ดีสังคมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีดีหลายอยาัาถ้าคนมีสตินะเพราะไม่สิ้นเปลืองพลังงาน มันใช่เฉพาะเฉพาะเฉพาะแต่เราไม่มีสด็โอ้ยพลังงานไม่รู้อะไระหลายอยะแต่ก็ความคิดเนี่ยก็เสิ้นเปลืองพลังงานนะถ้าคนคิดต้องมากไม่มีสาเหตุเนีกลางคืนว่าขวัญกลางวันว่าชิดหุกพ่นคนชิดจบหมดพลังงานนะสุขภาพจะไม่ดีนะเหนื่อยนะนอนก็ไม่หลับดีไม่พักผ่อน นอนก็มีแต่ฝันตื่นขึ้นมาก็หมดเรี่ยวหมดแรงถ้ามีสติมันจะถ น, นอมนะสุขภาพก็จะดีพลังงานไม่สิ้นเปลืองอนะไม่ใช่ใช่พลังงานให้สิ้นเปลืองก็เฉพาะเรื่องนะมาใช่เฉพาะเรื่องอนะเราใช้เราใช้ชีวิตเราใช่ตาเราใช้หูเราใช้จมูก เราใช้เล่นเราใช้กายเราใช้จิตใจเราใช้ใจหรือว่าใจมันใช้เราถ้าใจมันใช้เราก็ลำมากส่นวนาใจมันจะใช้เราสั่งให้เราพิษนนท์คิดนี่ไปตามความคิดไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นเจ้าเรือนจิตก็อยู่ในอุ้งมือของอารมณ์ไม่รู้จะแก้ อารมณ์กับจิตนะก็เลยหมดพลังมาเป็นธาตุเป็นธ า, นะาตุของอารมณ์ใจนีนมันก็คู่กับอารมณ์ดูดีๆนะดูดีๆนะเรามองม่ออกใจในมันวันที่สุดอารมณ์มันทำให้เศร้าลองพ่อพูดวันก่อ น, อนใจมันต้องป ก, ก, กติ ปกติเป็ที่อยู่ของใจเป็นบ้านของใจรู้จักไหมหรู้จักบ้านของใจไหมในใจเรามีบ้านอยู่ไหมไปชนไหนล่ะอยู่กับความปกติไหม <laughs> นี่เดี๋ยวอารมณ์ท่องเที่ยวอารมณ์ก็ชวนออกจากบ้านนะใช่ไหมอารมณ์ชวนออกจากบ้านนะไปไหนลห่ะไปลักไปชังไปยินดีไปยินล้าย อารมณ์อารมณ์มันชวนอกาแบบมาพระพุทธมีตังทิคเวคิดตังตัณจะโข อ, อคันตุเกหิอุปปิเลเสอุปปจิริถังพระเจ้าว่านภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายเราเก่าวว่ากิจนี้พระพุทธสอนผ่องใสยอยู่เสมอ แต่อุบาจิเลตมันทำให้เศร้าหมองจินของเรามันปกติประพัดสอนบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าอากันตกะมันจะมาชวนไปทำให้เศร้าทำให้ยินดีทำให้ยินไลนะ่เราก็ไม่สงวนตรงนี้่อยปะละเลยหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆว่าโสเพนีกิตเขาเหิวไปไหนก็ได้นะเขาเหิวไปไง่าย ไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่าจิตนะสัมสองที่สุดผุดผิดแล้วมันก็เป็นอันตรายนล้แต่เป็นเปรตเป็นจุลกายเป็นสันนโรกเป็นนิรานดรก็พกินนี่แหละมโนปภังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จก็พอใจเราพลอยกว่าเราเลยไมได้วิธีที่ฝึกใจก็คือสตินี่แหละไม่มีอะไรที่ฝึกใจได้นอกจากสติ แต่เรียนรู้อะไรมันก็ใช่ไม่ได้นอกจากความรู้สึกตัวเรามาสร้างความรู้สึกตัวตอนมีความรู้สึกตัวมันทำทุกอย่างมันก็อยู่ในบ้านมนก็หัดฝึกหัดกิมันไม่มีตัวไม่ตนแต่ให้มันรู้ตรงไหนรู้อยู่เพรามันรู้มันก็อยู่พอนไปเราก็กำลัารู้มันสอนมันเชื่อแต่เชื่อที่ผูก กิจแต่แม่นใบกิจมันไม่มีตัวมีตัวมันก็อยู่ละทะลุสักตัวนะมันไปเราก็ลู้สักตัวมันก็กลับมาตัวนี้แหละจงการสอนกิจพระเจ้าก็เคยพูดอย่างนี้เคยบอกเคยสอนพวกเราเอกะมัโควิสุทธิยาทางหมายเลขหนึ่งเอกะคือหนึ่งมัคคือทางวิสุทธิยาทางไปสู่ความบริสุทธิ์ คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวพี่นี่ก็เลยเขียนไว้ซะใหญ่โตสถาบันสติปัญฐานสถาบันนั่นแหละเพราะมันยิ่งใหญ่ยิงงเรื่องของสติเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตเราจริงๆประมาทไม่ได้หรอกนะพอเราจึงพูดแต่ก็เรื่องนหละเรื่องอื่นเราไว้ก่อนนะคนอื่นเขาพูดมาเรามาพูดเรื่องเนี่ยเรื่องกายเรื่องสติเรื่องไหนเรืรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ นะอคนอื่นไม่ต้องพูดออกพวกเราเลยประสบการณ์เลยเรียนได้รู้ได้เห็นมามากแต่ตรงนี้เก๋ตรงนี้ต้องแน่นอนนะยอมรับนะพอมาพูดเรื่องสติเนะี่ยโอ้ยหลวงพ่อยอมรับเลยแต่ไม่ก่อนก็นึกว่าตัวเองวิเศษนะพอหลวงพ่อเดียนมาพูดเรื่องสตินะโอ้ยแต่ก่อนเราเรีกว่า เด็กขี่ก็ บ, บอกไม่ไผ่ข้ามแม่น้ำโขงนะมันถือว่าวิเศษอ่าไปดูอะไรดูออกนะเป็นหมอเศรษฐศาสตร์นะจำไว้ก่อนไปเป็นเด็กน้อยอายุสิบเกดจีสิบเกดปีคนแจ่คนเท่าก็มากราบมาไหว้แล้วก็แล้วว่าเราวิเศษไม่ให้กราบขอพกก่อกาบไม่พกก่อกราบเธลูกให้พกก่อกาบขอกราบให้พ่อกเราเป็นหมอเศรษฐศาสตร์ไปเอคนออกลูกออกเต่าไปดูรัฐวัจัย โอ้โหมาฟังวพ่อเทียนสอนเรื่องเศรษฐีโอ้ยเราจอมระดับนะฮะอย่าให้มันลงนานกันไปเถอะพวกเราคนะ่อนคนแล้วครึ่งคนแล้วผมก็หลงมาถึง30ปีแล้วนะจ๊ลงอะไเชียไ ม, ม่รู้่ามคุมร้อยคุมดีไป30ปีกอบกู้ขึ้นมาได้แล้วมันเ้ยหกสิบหกหกสเจ็ดปีแล้วฮนะ แล้วเราก็ตีตื้นเนาะตีตื้นไหมลึกไหมความหลงมันลึกไหมเอาให้มันตื้นกันหมดตื้นกันหมรูลล้สึกตัวเป็นเรื่องตืนนะนะ่นเลยล้นนะฮะชีวิตเราเน่ะความโลภความหลงไม่มากตนะ่อนะอย่าคิดว่ามากนะแต่าคิดว่ายากนะความหลงมันไม่ขี่ช่างขี่มากนะหรอกมันไม่สตาอาวุธหรอกแต่ถือว่าเป็นเรื่องยากโอ้ยทำไม่ได้ไม่ใช่ เพียงแต่หใจเข้าหายใ่ออกเป็นตัวรูดอ่ะผมหลงก้อนนี้เนี่ยยิ่งเรามาพลิกมือสร้างที่ไหมมก็ตั้งต้นจากความหลงความหลงมันเหมือนเนื้อมือสามเนื้น่ะความหลงน่งสูงกว่าเขาสูงกว่าเขาไหมถ้าเราความหลงมยู่ตรงกลางแล้วมันถ้าหลงมาโกรธก็ได้ถ้าหลงมันโลภ ก, ก็ได้เพราะอยู่ตรงกลางมันมันมีอํานาจตลอด เพหลงเทียงทุกเพราหลงเที่งโกรธเพหล ง, งเทียงอะไรตัวหลงไม่ได้เอาตังจริงแล้วคือตัวหลง <c oughs> ตัวหลง ใ, ใหญ่นะพี่คิดกับความหลงคือความรู้สึกตัวจะไปห้ามไม่ให้โกรธไม่ใช่จะไปห้ามไม่ให้โลภจะไห้ามไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะมันมีเหตุตัวไี้เรามารู้สึกตัวเรามารู้สึกตัวตัวหลงนม่ไม่ต้องสู้เลยไม่ให้มันไม่มีเหยื่อ พอเราลูบสิ่ตัวมันไม่ได้กินอาหารมันก็เหี่ยวแห้งไปเหมือนกับบกเขียบหลอดมันจะบกเขียบหลอดเปล่นะบกเขียบบกเขียบบกเขียบหลอดใช่ <c oughs> งไหมบกเขียบก็คือบอกน้อยหน่าน้อยหน่ามันหลอดเรื่อจากมันหลอดไหมมันหลอดมันดําปีติดต้นมันอยู่นะไม่มีประโยชน์เลย มันหลอดพ่วงหลงมันหลอดอมันใช่ไหมได้แล้วพ่อองหลงไม่ใช่ไหมไดมันหลอดจ้ะมันไม่เกี่ยงกระทบต่อลำต้นมอะ่ะไม่ได้ดูดน้ำจากลํำต้นมันหลอกดเราไม่เสียพลังงานอะไรต่ำเลยนะแต่มันดูดเราไปพว่วงหลงอ๋อเพราะนั้นเราจะมาสร้างนะอ่าเราจะพาปฏิบัติกันก <c oughs> ารทรงศีล เป็นตัวที่นำอย่างดีที่สุดนะหลวงพ่อแล้วก็เก็บเอลนั่งนันก็ได้แต่ว่านั่งได้อะไรแข่งพวกเราได้นะเก็บเอลแต่ว่าั่งแข่งกันกนะแ็่นี่ก็พอเนาะกราบพระก้องกัน <c oughs> อะรหังตัมมะตัมวุฑูโตธวตอจิวิสวหโตภโวมมมสตนโนโสสร